อ้าทีนี้มานะทีนี้มาดูเรื่องกนนรารสลดล้ำเส้ใหญ่นะการลื้อดีท็อกซ์ฟิเคชั่นครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเป็นยาเม็ดที่สามนะสลดล้ำเส้นใหญ่เป็นยาเม็ดที่ 3, นะ ส, า ม, สาม ท, 3. ทำไมต้องสลงล้ำเส้ใหญ่นะครับเพราะว่าทีล้ำเส้ใหญ่ตัวนี้นะครับเรากินอาหารลงมามาที่กระเพาะนะเสร็จแล้วมันจะมาล้ำเส้นเล็กแล้วก็ล้ำเส้ใหญ่สีเทานี่นะครับคือล้ำเส้ใหญ่นะเนี่ยสีเทาเทาเนี่ย เป็นลำไส้ใหญ่ตรงนี้จะเริ่มเป็นอุจจาระนะฮะเนี่ยตรงซีเทอร์ น, นี้จะเริ่มเป็นอุจจาระมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มันก็ออกไปออกไปที่รูทวารของเรานะมันยาวประมาณสี่ห้าฟุต น, นะครับทําไมต้องสวนลำไส้ใหญ่เพราะลำไส้ใหญ่นั้นมีพิษที่มากๆอยู่มีพิษที่เป็นอันตรายมากอยู่สามอย่างหนึ่งนะครับกากอาหารที่มันหมักหมมเน่านะครับที่เน่าหมักหมม มันจะเป็นพิษเป็นสารก่อมะเร็งอย่างน้อย9้าตัว i n d o อร์สเคตอนแอมโมเนียนโซซาเมียนและสารดื้อีๆนะครับเป็นสารก่อมะเร็งอย่างน้อยเตัวที่มันจะฝังในที่ลำไส้ใหญ่นี่ประเด็นแรกนะครับจากการหมักมงประเด็นที่2ครับตับจะขับพิษออกมาที่ลำไส้นะครับตับเนีจะขับพิษเอาจากทุกอย่างเลยนะครับเขาเป็นอะไรว่าขับพิษเขาจะขับพิษทุกอย่ทุกอย่างเลยนะครับมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับแล้วสุดท้ายมันจะมากองที่ลำไส้ใหญ่นี่ เต็มเยอะมากเลยนี่ก็คือเป็ ping. นน้ <vie seems. S 2> ําที่เป็นพิษด้าที่สามครับพลังงานที่เป็นพิษในร่างกายของทุกเซลล์นะครับเวลาร่างกายเราทํางานร่างกายทํางานทุกเวลานะครับแล้วพลังงานที่เป็นพิษนั้นเขาจะระบายพลังงานที่เป็นพิษออกมากรองที่ลาไส้ใหญ่มากที่สุดกว่าทุกอวัยวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมากที่สุดกว่าทุกอวัยวะเนี่ยเป็นพลังงานนะครับที่เป็นพิษเป็นความร้อนเป็นพลังงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจีนจะนิยมฝังเข็มที่จุดเหอกูเพราะว่ามัน เป็นจุดฝังเข็มในวัดประมาณหนึ่งข้อนิ้โป้งนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วป้งกิ้ชี้เนี่ยเขาจะฝังเข็มหรือกดจุดถอนพิษตรงเนี้ยนะครับที่จุดเหอกูเป็นจุดลําไส้ใหญ่นะครับเป็นโรคอะไรก็เจ้าเจะฝังเข็มเหอกูหรือกดจุดเหอกู่มันจะช่วยถอนพิษทุกโรคนะครับที่จุดเนี้ยจุดเหอกูเนี่ยเป็นจุดระบายที่จากลำไส้ใหญ่ขึ้นมาที่ไหลแล้วออกมาที่แขนแล้วออกมาที่จุดเฮอรกูตรงกันกับหมอแผนปัจจุบันที่เวลาวัดไข้ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องลบออกศูนย์ด้วา ทำไมจะต้องรอบบอังคศูนยจ้านหน้องศาครับเพราะว่ามันร้อนกว่าทุกที่เขาบอกว่ามันมีพลังงานมีความร้อนมากกว่าทุกที่เนี่ยถ้าเราเอาความรู้ทุกแผนมารวมกันเราจะเห็นการการเชื่อมร้อยว่าโอมันร้อยกันอย่างเงี้ยเชื่อมต่อเป็นเงี้ยมันร้อนกว่าทุกที่ จึงต้องรลบออกสูญจน้าองศาที่อื่นก็จะไม่ลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดีท็อกซ์เราใส่สมุนไพรเข้าไปแล้วให้ถ้าสมุนไพรกันซับเอาพิษทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้การับอาพิษทั้งหมดที่ออกมามันจะทําให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างว่าเดือเพราะพิษสามอย่างจะออกมาหนึ่งเนื้ออุจจาระที่เน่าหมักหมมเป็นสารก่อมเร็งเป็นสารที่เป็นพิษอันที่สองนะครับน้ําที่เป็นพิษที่ตักขับออกมาที่ลําไส้นะครับแล้วอันที่สามนะครับ พลังงานควมร้อนที่เป็นพิษที่ทุกเซลส่งมาระบายที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งก็ส่งมาเยอะมากครับส่งมาเยอะมากเลแล้าเราจะทำการสลายลำไส้อย่างไรนะครับสลายลำไส้อย่างไร อันหนึ่งนะครับเราต้องรู้จากสมุนไพรที่มันถูกกันคนเดมี่ดีทอ็อกซ์ไม่ถูกเยอะมากเลยนะดีทอ็อกซไม่เป็นเยอะมากเลยส่วนใหญ่เขาจะใช้กาแฟใช้มะนาวใช้มะขามแค่นั้นแหละนะดีทอ็อกซ์ตามตาราซึ่งควาจริงมันไม่ใช่มันสามารถใช้สิ่งอื่นๆนะครับมาดีทอ็อกซ์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะสารที่เราใช้ดีทอ็อกซ์นะครับมันมต้องจริงๆแล้วมันจะต้องสมดุลกับสภาพร่างกายจึงจะเป็นจุด ข, ขับพิษได้ดีที่สุดนะครับแต่เช่น อะไรบ้างนะครับที่จะใช้ขับพิษในร่างกายได้นี่นะใช้ดีท็อกได้ก็จิงเช่นเราถ้าเราจะเลือกสมุนไพรนะครับก็เช่นเาวใบเตยหนึ่งใบหอมแซ่บขึ้นถึง1กึ่งกมือยานาหนึ่งถึงสาใบหรือน้ํามะนาวครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะใบมะขามครึ่งถึง1กึ่งมือมะขามเปียกหนึ่งถึงสฝักใบส้มป่อยครึ่งถึงหนึ่งกำมือกาแฟนะครับห่ช้อนชาบอระเพ็ดหนึ่งข้อนิ้วมือลูกใต้ใบ1นึ่งหนึ่งต้นนี่นะฟ้าายโจรหนึยอด นะซึ่งยาวประมาณหนึ่งครื่งเป็นต้นนะครับอ่มากกว่านี้ก็ได้นะ้ำสมุนไพรที่ถู ก, กันเนะ่จะใช้พวกนี้ก็ได้หรือมากกว่านี้ก็ได้จะเลือกใช้อย่างไรนะที่มันถูกกันเนี่ยนะครับจะเลือกใช้อย่างไร อ, อยุคนี้นี่มันมันเป็นยุคร้อนนะใช้สมุนไพรที่เย็นจะเหมาะใช้สมุนไพรที่เย็นจะเหมาะนะครับเป็นหลักไว้ยกเว้นใครมีเว่าเย็นเกินก็ใช้สมุนไพรที่รอ้อนแต่ผมเลือกอย่างนิดเดียวเลครับมีคนกล้คนนึงเนะี่ย เขายุประมาณเจ็สปีนะลูกสาวที่เป็นแทนปัจจุบันแม่เนี่ยมีอาการตับอักเสบเรื้อรังนะครับเป็นไวรับตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็ เขาก็ศรัทธาแค่ทางเลือกก็เลยมาใช่กาแฟดีท็อกส์นะเขาดีท็อกซ์ไปได้1ึ่งเดือนใช้กาแฟดีท็อกส์ไปได้1เดือนค่าตับเนี่ยอาเสพมากขึ้นค่า s อสชิวอทีเอขึ้นไปดั้งเก้าสินะครับซึ่งปกติมันจะอยู่ประมาณ40ไม่เกิน40นะครับขึ้นไปทั้งเก้าสพอขึ้นไปทั้ง90าก็เกิดปัญหาและแล้เกิดปัญหาว่าร่างกายเขาอ่อนล้าอ่อนเพลียลง แย่แ yeah, yeah, มากขึ้ น, นะครับเขาเลยโทรมาหาผมว่าทําไมเขามีเท้อด้วยกาแฟทําไมตับเขาแย่ลงเพราะว่าตามตํารา บ, บอกว่ากาแฟกระตุน้นที่ตับขับพิษออกมากผมก็เลยบอกว่ากาแฟไม่ถูกควบคุมโดยใช้ในกาแฟมันร้อนพอที่กาแฟมันเป็นขมมันเป็นร้อนผมนี่มันเป็นร้อนแบบร้อนนะครับแล้วกาแฟนี้มันร้อนคนะมันร้อนเนี่ยเขาจะใช้ที่เมืองหนาวเมืองหนาวอนนี้มันหนาว เ, ยนนาว เ, เลยเขาใช้กาแฟเจียจามนมาเที่ยวอุ่นปุ๊บเนี่ยตามหลัก แข็งแรงอาอยุยืนของพระเจ้าในอนันตสูตรก็คือคนจะแข็งแรงอายุยืนเป็นผู้ทําความสบายเป็นไปเองใช่ไหมครับในข้อที่หนึ่งดังนั้นในเมืองหนาวจุดจุ ด, จ, ดออจุดสบายก็คืออุ่นสบายที่เมืองหนาวจุดสบายก็คืออุ่นสบายพอจุดสบายคืออุ่นสบายเขาก็ในที่เมืองหนาวก็ ใช้กาแฟมันก็กระตุ้นให้ตัดขับพิษด อ, อกนะครับตัวกระตุ้นในตับขับพิษด อ, อกไม่ใช่ตัวกาแฟแต่เป็นสภาพอุ่นสบายนะครับสภาพความสมดุลก็เลยจะไม่ตัดแข็งแรงแล้วก็ขับพิษออกมานะครับตับจึงดีขึ้นแต่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนไปใช้กาแฟมากตับก็ผ่านตาบเขาแย่ลงผมก็บอกใช้ใบเตยสิใช้ใบเตย ส, ตสิลองใช้ใบเตยสิใบเตยมีฤทธิ์เย็นผมก็เลยเขาต้องใบเตยดิชอฟส์เขาทําอยู่เจ็วันครับค่าตับค่าเอสยูวีเอพเลยอยู่สามสิบ เขาก็โทรมาขอบคุณโอ้ขอบคุณหมอมากเขาบอกน้ำทามอาทิตย์เดียวลงมาแล้วลงมาเลยเห็นไหมครับเราใส่สิ่งที่ผิดเนี่ยมันทาร้ายร่างกายทันทีใส่สิ่งที่ถูกนะมันรักษาร่างกายทันทีเลยอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากต้องใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปคืออะไรล่ะที่มันดูกกันเพราะว่าหอเวลาเข้าไปที่ลําไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่นั้นไม่ใช่จุดแค่ว่าร่างกายระบายพิษออกนะครับเขาเป็นจุดที่จะส่งพลังงานไปทุกส่วนของร่างกายอย่างรวดเร็วทันทีเลยนะครับจะส่งพลังงานอย่าง หมดเลยไปทุกส่วนในร่างกายทันทีเลยดิฉันหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเวลาเวลาเด็กเด็กช็อกนะครับเด็กเด็กชักนะเด็กชักเด็กไข้ขึ้นสูงแล้วก็ชักแล้วก็กินยาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เขาะจะให้ยาทันทาวาล น, นะครับไอเด็กชักมังมีปัญหาที่สมองนะครับเราให้ยาทันทาวานทำไมเป็นรักษาที่สมอง ก็มันจะส่งพลังงานเข้าไปรักษาทันทีเลยนะครับเพราะนั้นสัมพันธ์ที่เราส้ใหญ่ในสองประเด็นก็คือว่า1ใส่สิ่งที่ถูกกัน2อย่าใส่เข้มข้นเพราะมันเป็นจุดที่พลังงานจะเคลื่อนเข้าไปเร็วมากนะครับใส่เข้มข้นแล้วจะไม่สบายลูกศิษย์หัวเรื่อผมหลายคนนะลองของน่าจะใส่เข้มข้นเจงมาแล้วจะเจงมาโอ้เชื่ออาจารย์แล้วระหว่างจใส่เข้มข้นกำลังมันจะตกนะครับพลังงานสารต่างๆมันจะเคลื่อนเข้าไปเร็วเกินไปนะอย่าใส่เข้มข้น ให้ใส่เจอจางเท่าที่รู้สึกสบายอันนะี้สำคัญมากงานจะใส่ที่พคนโอเคนะครับเมื่อเรารู้ห่ั คราวนเนียมันมี2แบบนะครับหเราใช้น้ำอุ่น2ใช้น้ำธรรมดาในการดีท็อกซ์น B นะถ้าใครถูกกับน้ำธรรมดาทำไงครับถูกกับน้ำธรรมดาเอาสมุนไพรที่ถูกกับเราเช่สนสมุนไพรที่เจนต่างๆเนี่ยย่า น, นาก็ 1- นึ่งถึงสใบก็พอแล้วใบเตบยก็หนึใบอะไรเงี้ยผักบุงห่งถึง3ามต้นอย่างเงี้ยนะใช้อย่างละอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หลายอย่างหรือใครมีหลายอย่างก็ได้เอามารวมกันแล้วประมาณครึ่งหนึ่งถึงกัมมือนะขยี้กับน้ำเปล่าประมาณ 1- ถึงสาแก้วแต่พอได้น้ำเปล่าประมาณ1ถึง3แก้วเราใช้น้ํา นะ้ำนอะ่กองออกมานะครับได้น้ำโพลีฟิลประมาณขึ้นถึง1แก้วเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะนะแค่ครึ่งแก้วถึงหงแก้วพอแล้วนะน้ำโพลีฟิลขึ้นหนึ่1แก้วสารเติม น, น้ำธรรมดาเข้าไปแล้วก็ไปดีท็อกซ์ได้เลยนะครับส่วน้ำใส่ได้อีกประเด็นนึงครับอีกประเด็นนึงเนี่ยน้ำอุ่นทําน้นําอุ่นแล้วก็เอาน้ําเอาสมุนไพรที่เย็นพวกนี้ไปต้มนะไปต้ม ต้มให้เดือนประมาณห้าถึงบนาทีนะครับถ้าได้ส ม, มุนไพรประมาณครึ่งถึงหนึ่งกมือแต่ถ้าเป็นกาแฟก็ไม่ต้องมากนะครับหถึง 2, 2, 2 1ง่ 1> ช้อนชาก็พอนะไม่ต้องไปเอาตามตำารางหลังนะตาราหลังนั้น 1- นถึงสช้อนแกงนะครับ้าหลังก็ตัวใหญ่เขาใช้เยอะเมืองไทยตัวเล็กไม่ต้องใช้มากนะห่ช้อนชามากพอเลยนะครับถ้าใครถูกกับกาแฟนะ<ฮ>ถ้าถูกกับกาแฟคือทําแล้วรู้สึกสบายก็ใช้กาแฟ ให้ดูกำลังยันอือ่นคุณใช้แล้วรู้สึกสบายคุณก็ใช่อย่างอืงอ่นนะให้ดูว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกสบายครับอันนั้นแหละนะแป่ว่าสิ่งที่ดูกับเรานะครับใช้หลักของมรุจ้านะครับเป็นผู้ทําความสบายกันตนเองนะตอนนีเราเอาพวกนี้มาต้มนะครับต้มเนี่ยพอเราได้ปริมาณประมาณขึ้นจะเป็นกระเมร์ต้มกับน้าประมาณหนสาแก้วนะครับเดือดสัประมาณ 5- ้าถึงสิบนทีเสร็จแล้วพอได้น้ําเหล่า น, นี้มานะเราผสมผสมน้ําพอได้พวกนี้ก็กรองนะครับกรองได้เสร็จผสมน้ําธรรมดาให้อุ่นนะครับ เราสำนัน้าน้ำใหหุ่นก็ไปดีท็อกซ์ได้เลยนะครับดูเราเองว่าเราถูกกับน้าหุ่นหรือน้ธรรมดาเช่นถ้าเป็นผมนะถ้าอากาศร้อนทั่วไปผมดูกับน้ธรรมดาถ้าหน้าหนาวนะผมก็จะใช้น้าหุ่นเพราะใช้น้เย็นแล้สุดท้านอย่างเงี้ยนะเราก็ดูเราเองว่าเราถูกกับน้าอะไรนะครับเราก็ใช้อันนั้นนะครับโอเคนะฮะได้น้าสมุนไพรพวกนี้เนี่ย ซึ่งทำไมผมจับประเด็นเรื่องเรื่องน้ำสมุนไพรพวกนี้ได้ น, นะซึ่งมันสำคัญมากมีอยู่หลายครั้งนะครับเวลาผมอบรมเนี่ยมีคนไข้มาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากาลังปวดหรว่ามืนหัวมีอาการไม่สบายนะผื่นคันอะไรต่างๆนะเขาไม่สบายเนี่ยปรากฏว่าแค่เขาฝานมะละกอนะสับมะละกอหรือเขาแค่ล้างผลล้างผักทิ่เย็นเนี่ยอาการไม่สบายเขาลดลงผมก็เลยจับได้ว่าอ๋อ ทำไมมันลดลงนะฮะที่เขาไม่ได้กินเพราะว่าพลังงานของผักนั้นอ่ะของน้ำเย็นขอ ง, ของพืชนะมันเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วพลังงานนิร้อนมันเคลื่อนออกมา <S <S เหมือนกันในนี้ฮะหลักการเหมือนกันยกว่ า, าถ้าเป็นแก้วน้ำเย็นกับแก้วน้าร้อนมาวันชิดกันอีกสักพักแก้วน้ำเย็นจะเป็นยังไงครับร้อนขึ้นใช่ไหมอุ่นขึ้นแก้วน้ำร้อนจะเป็นยังไงเย็นลงทําไมแก้วน้ำเย็นถึงร้อนขึ้นเพราะระดับความร้อนใช่ไหมครับทําไมแก้วน้ำร้อนถึงเย็นลง พอได้รับความเย็นใช่ไหมฮะได้รับความเย็นแล้วจะเสียความร้อนไปมันจะเย็นลงสุดท้ายือเท่ากันธรรมชาติของพลังงานในโลกใบนี้มันจะเปลียนกันนะเป็นธรรมชาติของมันเลยมันจะเปรียกกันอย่างนี้แหละตามโลกแตกเปรียกกันให้เท่ากันเพราะฉะนั้นสมุนไพรทีนเย็นต่างๆ่พืชที่เย็นเนี่ยมันมีที่เย็นร่างกายภายในเรามันร้อนแค่เราแตะเฉยเฉยพลังงานความเย็นมันก็เคลื่อนเข้าออกมาความร้อนก็เคลื่อนออกมาร่างกายภายในเลยดีขึ้นเพราะพิษจอนมันเคลื่อนออกเป็นอย่างนี้นะครับ มนะีมีคนไข้บางคนนะอาการหนักมากๆเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังไม่ได้ทําเรื่องให้คนเป็นหมอด้วยเลยตัวเองนะั้นสมัยก่อนรักษาคนไข้ตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววิชารักษาคนไข้นะสอนให้คนไข้รักษาตัวเองตอนนี้เป็นเอกแล้วไม่เอาวิชารักษาคนไข้แล้วมีคนไข้นหนักๆปานตายคนหนึ่งนะผมเองก็หมดแรงรักษาไม่ปะหมดแรงเลยผมเลยเอามือจิ้มที่สมบัติเพราะมันเป็นจุดของลมปราณลำไส้เล็กเนะี่ยเล้วจุกเสียบที่อัณฑะแล้วมัยิงมาที่หัวใจแล้วมันก็ไม่หายสักทีนะผมเอามือหนึ่งจิ้มมือนึง กําผัดให้เย็นแล้วกินข้าวไปด้วย นะก็จะให้พิษวิ่งถ่ายมาที่ตัวเราแล้วถ่ายมาที่ผัดแล้วให้ให้ใหพิษเย็นของผักมันวิ่งผ่านเราเข้าไปหาคนใช่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหครับจิ้มไม่ได้น้าวทีคนไข้ก็ดีโอ้ยรากฐานคใกล้ไมก่อนสนุกนะใค ร, รเลื่อนเบี่ยงแขนเดือโอ้ห้าบูบูยังยัถ้าจิ้มสบัยนหนะถ้ากดเอกิกูเกิดเนือน้อควกดกดที่แขนมักวนเราคนไข้จะตายจะตายเราเราหนััมานีก็แลกหมัดนะกดจิกเลยแลกหมัดก็เลยส่งพลังเข้าไป คนไข้ก็ฟื้นนะคนไข้จุกจะตายตายปึ๊กป <atsu> ึ๊ึนเลยนะแลกบนกันเลยถ่ายพลังงานเข้าไปเลยแต้คนไข้กฟืนฟื้นฟืนขึ้นเพอสมัยก่อนเนี่ยทในการนังจีนนะในการนังจีนทาข้ายโลกอ่ะจริงต้นตรแต่ว่าเมื่อยนดูทวันที่ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะทุกวันที่สอนในคนไข้ต้องใดตัวเองดีกว่านไปทำกันไม่ไม่ไม่ไหวเอาล่ะนะครับก็เลาไปฝั่งเรื่องของพลังงาน นะว่ามันมันเคลื่อนกันได้อย่างเงี้ยงั้นถ้าเราใส่สิ่งกระตุกกันเข้าไปพลังงานที่ดีมันจะเข้าไปรักษาได้เร็วนะครับอันเนี้ยสําคัญผมก็เลยจับเรื่องนี้ได้ว่าโอ้พลังงานที่ดีมันรักษาได้หรือคนไข้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับคนไข่ประมาณร้อยคนผมพาไปถอนตะไคร้ชื่อยงานเจวันที่สามือสี่คนไข้ฟื้นมาอย่างดีแล้วเสร็จแล้วไปจับตะไคร้เราจับมากกันถอนมากไนงะตะไคร้มันร้อนแปดสิเปอร์ซนตกลับมาไม่สบายเหมือนเก่า ภายในวันเดียวมันเป็นไปได้ยังไงนะทั้งที่ดีขึ้นไปในสาวันแปดสิคนไข้ดีขึ้นกันแปเป็นต์แต่คนไข้ส่วนใหญ่ก็กลับมาไม่สบายเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะตะไคร่มันร้อนแล้วคิดมันเข้าคึ้นจอยไปเคื่อนเข้าเราก็เลยชัดเรื่องเนี้ยว่าใส่สิ่งที่ถูกกรนเข้าไปมันจะรักษาใส่สิ่งที่ไม่ถูกกัรมันทํร้ายเอาละทีนี้เรามาดูว่าจะมีท็อกเส้นยังไงนะเมื่อได้สมุนไพรตัวนี้แล้วจะมีท็อกเป็นไห อันนี้เป็นชุดดีท้องนะครับใครจะมีแบบถุงก็ได้นะอ่าเราอันนี้เป็นหูรูดปิดนหูตัวล็อกมัน น, น ะ, ะใส่น้ํา ขนไพรที่ถูกกันเข้าไปนะแรก็เอาไกใส่เข้าไปเต็มนี่เลยนะเต็มเลยนะใส่เข้าไปเต็มปุ๊บเนี่ยเปิดทีนี้นะเปิดให้ให้ไล่อากาศออกนะครับไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดไว้พอปิดไว้ปุ๊บเราทาเจลทาวาสลีนทาว่านหางจระเข้หรือทาสบู่หรือทาน้ำมันพืชหรืออะไรก็ได้ที่มันลื่นๆนะครับทาแค่หึงข้อมือพอนะครับไม่ต้องทามากเงมืออาชีพว่าทาหึงข้อมือพอเลยนะมือสมัครเล่นทาเมื่อยเลยนะคุณนีมือสมัครเล่นเป็นเรื่องเลยแค่ นิ้วมือเนี่ยนะพ อ, อแล้วพรเวลามันสอนเข้าไปได้มันจะทะลุทะโลเองเลยเพลิงเลยนะแต่แล้วก็อ้าวนะแต่ว่าเราจะ่ายเข้าไปยาวเท่าไหร่นะครับวัานิ้วชี้ขยายาเท่าไหร่เท่านั้นนะห่ันสายไว้แต่เราสอนเข้าไปที่จะวนันของเราในตอนที่สอนเข้าไปทํำท่าเบ่งถ่ายนะมันจะเข้าไปง่ายพ อ, อลืมบอกอีกอย่างนึงถ้าใครไม่มีเจลไม่มีอะไรต่างๆนั้นจุ่มน้ำไม่เฉยก็ได้นะมือชี้ไว้จุ่มน้ำพอเลยจุ่มน้ำสมุนไพรก็ได้จุ่มน้ำกระป๋งก็ได้แต่เราสอนเข้าไปที่จะวันทํำท่าเบ่งถ่ายนะครับ มันจะทําให้เข้าไปง่ายขึ้นถ้าเท่าเป็นไทยรูรูทวารันจะเปิดพนะอมันเข้าไปพุ๊นะประมาณหนึ่ข้อนิ้วมือแค่นี้พอแล้วหรือจะเข้าไปประมาณบางคนอยากลึกกว่ก็ส2ข้อนิ้วมือก็ได้นะแต่ไม่ต้องถึง2นะไม่ต้อง2พอแล้วพอแล้วขอนิ้วมือพอแล้วไม่ต้องสองนะแค่นี้แล้วเพือ อย่างใส่เข้าไปน้อยเกินไปนะบางคนจะโอ้ัวบเจ็บโกหกโกรธไม่สบายก็เลยใส่เข้าไปแค่นิ้วเดียวแค่ข้อนิดเดียวเนี่ยนะแค่นิดเดียวนะมันจะปวดทรมานมากเลยนะต้องรบกวนสามจะ 1, 3, ไปตายเลยแหละใส่เข้าไปให้ลึกห น, น่อยเนี่หนึ่งข้อนิ้ว ม, มือเลยแหละใช้ได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเป็นไงครับก็เปิดนะเปิด น, น, น, น้ําไหลเข้าไปทีนี้นะเอาได้ข้อนิ้ว ม, มือแต่นิ้วไม่ได้เอาเข้าไปด้วยนะนอนโอ้ยทำที่แล้วามาาันจะงงบานอะไรก็ไม่รู้คนไข้มาปวดบานอะไรปวดบานโพทอง S <S เอาคนไข้มาคนไข้มาบน่บนมาสมมมุดท้ายหมอหมอดีท้องมันก็ดีอยู่นะท้องโล่งดีนะแต่ทำทรมานเลยคนเจ็บนะเขาโอ้ยนะสมเราเราเอา๊ะทำไงเจ็บมันเลกนทีเดียวจะไปเจ็บยังไงเรไมมันไม่เห็นเจ็บเลยเราทาก็ไม่เจ็บถ้าทําไงเขาบอกเนี่ยก็เอาเข้าไปทั้งนิ้วเลยเอาเข้าทั้งนิ้วทั้งสายโอหมอมันมีวิธีอื่นไหมเขาว่าเนี่ยที่นะทๆๆมันเจ็บเป็นไงเราเข้าไปทั้งนิ้วทั้งซ้ายเลยเราไม่ได้บอกให้เอานิ้วเข้านะให้มาวัดเฉยๆอันนี้มาว ยาวเท่าก right. ับหนึ่งข้อนิ้วมือนะเนยได้หน่นงิ้วมือนะแล้วเนี่ยเอาเข้าเส้นพ่สายเราฟังดีด้วรุ่นนี้นะเพรานสงสารคนแรกก็ซื่ๆนั่ยับเข้าั้น้วทั้งมือทั้นวทั้งสายพอเราบานนเราก็พมาล้วนสุดท้ายก็ยับเป็นทั้ิวด้ไม่ต้องไม่ต้องนะเข้าไปแต่สายพอนะเอาเสร็จแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลเข้าไปปดดนะ เอ้ยยกสูงจากตัวประมาณสองสองนะแขวนเลยยกประมาณสองสองถ้ามันสูงกว่านั้นให้หักสายไว้นะครับหักสายไว้แล้วค่อยๆนะให้เราค่อยๆปล่อยเข้ามานะอย่าให้มันเข้ามาเร็วเกินไปนะถ้าเข้ามาเร็วเกินไปมันจะทรมานมากเลยนะมันเข้ามาเร็วปุ๊บบางคนมีพวกออกไปนะพวกออกเลยนะ หรืคนไข้ที่ผ่าตัดขึ้นผ่าตัดลำไส้ยังไม่ถึงสามเดือนอเพิ่งทำนะผ่าตัดลำไส้ยังไม่ถึงสมเดือนย่าเพิ่งทำถ้าหญิงตั้งครรภ์นนะจะให้ใส่เข้าไปในปริมาณแค่พอรู้สึกสบายนะอย่าให้มันบีบมวลมากเกินไปเพราะงั้นก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าใคผ่าตัดเกินสามเดือนที่ไตไม่มีปัญหานะผ่าตัดลำไส้เกินสามเดือนแล้วทําได้แล้วนะเอาละนะ ก็ปล่อยน้ำเข้ามาถ้ามันสูงมากๆหักสายไว้แล้วค่อยๆปล่อยเข้าปล่อยเข้าปเข้านะครับ ป, ป, ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปแห่ช้าแค่พอรู้สึกสบายนะแล้วที่ให้ใส่น้ำเต็มนี่ไม่ใช่ให้เข้าไปจนหมดนะอันนี้ริ้ครึ่งนะให้ดูว่า เข้าไปเท่าไหร่ที่เรารู้สึกทนได้เลยไม่ยากไม่ลําบากไหมครับทนได้เลยไม่ยากไม่ลําบากเอาแค่นั้นเช่นไปได้ครึ่งเดียวเรารู้สึกว่าโอ้ยทนลําบากแล้วมันจะปวดทายแล้วทรมานแล้วเราก็พอนะพอยืนนะแค่ครึ่งเดียวคราวหน้าผมก็ใส่เข้าไปแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องใส่ไม่ไปเต็มหรอกนะที่ใส่เข้าไปเต็มเพื่อดูว่าความจุกของเราใส่เราแค่ไหน แต่ละคนไม่เท่ากันใส่เข้าไปแค่พอรู้สึกสบายทนไม่ยากไม่ลําบากแค่พอร้องอันได้สบายนะเพออันได้สบายแค่นั้นเราก็เอาแค่นั้นจําไว้ด้วยเราได้ประมาณนี้ไว้พรุ่งนี้เราใส่ประมาณนี้แหละทำอย่านั้นนะพอใส่เข้าไปแค่นี้พอแล้วเราก็ถอยไปเจ็ดถวันของเราพอแล้วนะแค่ทนได้ยากทนได้ลํำบากก็พอนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บวนวนวนทองเอามือวนวนวนที่ทองเหราวนวนวนวนวเพ่ออะไรครับเพื่อให้เนื้อมันจะร่า นะหรือสารพิษที่มันแปดอยู่ที่ผาชนะลำไส้เนี่ยรุดออกมาที่น้ําบนะวนวนวนวนว น, ว น, ว น, ว น, นะครับอา่าหรือตะแกงขวาได้ยิ่งดีนะครับมีโอกาสที่ตะแกงขวาได้ยิ่งดีเพราะว่าสิ่งสปกปรกนะครับมันได้อยู่น้ําเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับน้าส ม, มุนไพรเข้ามาที่ลำไส้จนไปถึงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดที่สกปรกที่สุดนะครับจากลำไส้เล็กที่เป็นอาหารเนี่ยมันจะมาเป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเนื้ออุจจาระ น, นะ ถ้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าไปที่อาหารของเรานะครับที่เราไส์เล็กที่กับพ่อมันไม่เข้านะครับมันจะมีหูรูดปิดไว้อยู่มันจะมาแค่จุด ส, ส่วนประกบที่สุดเนี่ยตะแคงขวาได้ยิ่งดีนะพอตะแคงขวาแล้วมาจุด ส, ส่วนประกบที่สุดเนี่ยพอนะครับแล้วก็วนะวนวนๆนวนวนวอดช่องครั้งแรกถ้าเป็นไปได้ให้อดไว้ก่อนทนไว้ก่อน นะครับมันจะไม่เกินครึ่งนาทีนะครับมันจะหายปวดถ้ خر, าเท่าไวเดีด๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายจดี๋ยนกายนะ <c ười> ปวดทั้งที่สองรบายเลยนะปล่อยออกไปเลยนะครับปล่อยออกไปเลยนะครับปล่อยอไปเลยมันทําไมที่อั้นไวครับเพื่อให้ลําไส้มันบิดตัวสิ่งเฉพาะผมมันจะได้ออกได้มากหรือมันจะได้มีแรงขับออกได้มากนะ <c ười> แต่ถ้าใครรู้สึกอั้นได้ลําบากนะคนที่อั้นได้ลําบากไม่ต้องอั้นนะครับไม่ต้องอั้นเป็นครั้งที่2อนะปวดครั้งแรกปล่อยเลยนะใครที่ไม่มีกำลังอั้นหรืออั้นลําบากปวดครั้งแรกปล่อยออกไปเลย ลยนะครับไปล่อยไปเลยเราจะเราก็าาจะรู้สึกสบายนะแล้วไม่ต้องไปจับเวลานะครับว่าจะต้องอา10นาที20นาทีนะเหมือนทฤษฎีเขาใช้หลักของพระพุทธเจ้านะทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนะเพราะบางคนเลยนะ5นาทีจะตายแล้วนะนาทีเดียวเลยก็โอ้ยได้เขียวแล้วนะบางคนมันยังไม่ถึงเดีไม่ถึง10นาทีถึง10นาทีถึโอ้ได้เขียวนะนนหน้ดำได้เลยมันจะไปจะตาย ไม่ต้อ ง, งนอกนั่นไม่ต้องไปทรมานตนขนาดนั้นคุณเจ้าตอบเลยว่าจุดแข็งแรงอนาะยืนคือจุดที่ทนได้หรือไม่ยากไม่ลาบากจุดที่รู้สึกสบายมันอันมันปวดทายบ้างแล้วก็ปล่อยไม่นอกเลยนะไม่ต้องไปสินาที20สิบนาทีหรอกคนนี้ทําแล้วมันไม่ออกเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าไปแล้วไม่ออกนะเอาเรียกทำทำทำนนี่ก่อนนะโอเคนะ ก็อันประมาณนี้แหละถ้าที่เรารู้สึกทนได้โดยไม่ยากไป่ลำบาก น, นะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะอันนี้ก็ปล่อยไปนะครับสบายไปแล้ว เ, เราจะรู้สึกเบาสบายนะเบาสบายที่ท้องที่ใส่ของเราโอ้มันสดชื่นจริงนะมันจะเบาสบายมีพลัง น, นะครับอันนี้มันจะมีพลังช่วยถอน วันหนึ่งจะทํากี่ครั้งนะครับถ้าคนไข้หนักๆจะทําเช้าเย็นเช้าเย็นเลยหรือเช้าของวันเดียวนะครับถ้าคนไข้หนักๆเดีวันนี้ผมไมทําชุดใหญ่เลยนะบางทีผมไม่ทําชุดใหญ่ก็คือว่าทีท้องเสพนะถ่ายออกมาซ้ําก็อีกถ่ายมาซ้ําก็อีกถ่ายว่าซ้าก็อีกจนรู้สึกว่าลำใส่ล้าพอรู้สึกว่าลำใส่ล้านเนี่ยผมก็จะให้คนไขนะ้พอ คนไรู้ึกว่าลาไส้ล้าผมจะให้นไข้พอดอนให้ประมาณเราว่กี่ครั้งนะครับแล้วเ้าจะฟื้นเร็วมากนะเพราะมันจะซับพิษได้เร็วแต่เพราะว่าพลังงานในในร่างกายีพลังงานที่เป็นพิษมันถ่ายมาลำไส้ตลอดเลยรบเราบออกปุ๊บเดี๋ยวมันก็ส่งมาถ่ายไว้ที่ลำไส้พลังงานที่เป็นพิษเราก็ราบออกส่งมาถ่ายแล้วก็ซบออกราบออกซบออกจนลาไส้ล้าพอไส้ล้าเราไเห็นคนไจะฟื้นเร็วมากเลยครับในกรณีที่คนไข้อาการหนักนะต้องการฟื้นอย่างเร็วผมย้ายทชุดใหญ่นอนทำในห้อง บางคนทำสองครั้งแล้วลาบางคนสาครั้งสี่ครั้งห้าครัง้งหกครัง้งก็แล้วแต่ล้าเมื่อไหร่ให้เลิกเมื่อนั้นเพราะมันเกินพอดีแล้วถ้ามันจะเกินแล้วอย่าทําเกินล้าเกินล้าไปมันจะไม่ดีนะครับเนี่ยเป็นชุดใหญ่ปกติผมไม่ทาชุดใหญ่เช่าเย็นเช่าเย็นนะยนะตัวนหะนักมากๆเพื่อที่จะให้ฟื้นเร็วผมเองก็เคยทำห้าครั้งเป็นสิบครั้งนกะ็มีการทำเป็นสิบครั้งเกือยี่สิบพันก็มีต่อกันต่อกันเพื่อจะดูอาการดูว่ามันเป็นยังไงเกิดเพราะทีไงนะครับ แล้วก็เป็นคนแค่นัก nap. นะครับหรือทำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเ็นะครับทเช้าเย็นเช้าเย็นก็ได้ตอร่างกายเริ่มดีขึ้นแล้วนะก็ทำบัลลงครั้งบงครั้งอ้าวงานรู้สึกทำบัลรังสบายก็ทำบัลรังนะครับถ้าร่างกายดีขึ้นมากขึ้นกว่านั้นก็อาจจะลองเว้นวันนึงเว้น2วันนะครับเว้นวันหนึ่งเว้น2วันก็แล้วแต่เราเว้นกี่วันที่รู้สึกสบายก็ไปดูเอาเองนะครับ้าฉเหลียนเน่ ทำเฉลี่ยสัปดาห์ละหถึงาครั้งนะครับอย่างน้อยนะสัปดาห์ละหนึ่ถึงสครั้งในค่าเฉลี่ยนคนคแข็งแรงทั่วไปนะครับแต่ทุกวันนี้ผมพยายามทำนิทอสทุกวันนะถ้าที่ผมจะทาได้ผมก็พยายามทาทุกวันเพราะผมมว่าการทาทุกวันเนี่ ย, ยทำให้พยายามทำไม่ได้ทุกวันเนี่ยมันทาให้ผมมีพลังชีวิตมากกว่าคือที่ลาไส้ของคนเนี่ยมันเหมือนถ้อยเศศสียรถนะถ้วเสียรถมอเตอร์ไซค์เวลามันตันนะพี่มันจ อ, อกไม่ได้ พอพีดอกไม่ได้กะลังตกเลยนครับไอ้กะลังของรถถึงตกเลยบิดไม่ขึ้นเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นขนาดรถน้ะมันไม่มีชีวิตมันแข็งแรงหมดคนมันยังแย่คนนี่นะเวลามันพ่อมันตันมีคนนึงที่นั่ทรมานจริงเลยท้องผูกเป็นไงครับเวลาท้องผูกเป็นไงโอ้ใช่ไหมเวลาท้องผูกนจะทรมานไม่สบายแล้วท้องผูกจนทรมานหนักไม่สบายะมันมาน่อมันตันแล้วพี่ก้อนไอเสียนองไม่ได้ผมเลยบอกว่าเปิดท่อเป็นลมดีกว่า พอหมดโลกรู้สึกว่าตัวเองมีพลังชีวิตเวลาผมจะเว้นวันบ้านก็เว้นให้มันถ่าเองวัน2วัน3วันนะพอวัน2วันสามวันผมก็เลยกลับมาทาิ้งท้องสิ่งหนึ่งนะครับทิ้งท้องต่อต่ อ, ตอยาวๆเลยช่วงนี้พยายามทำในในส่วนตัวของตัวเองนะผมรู้สึกว่าผมทําประจําำกันทุกวันแล้วดีนะครับอันนีนะ้นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมรู้สึกกับตัวเองนะครับแต่คนอื่นเขาอาจจะเว้นวันเป็น2วันเวลาแต่เขานะทุกคนต้องไปดูตัวเองว่าทําแค่ไหนอย่างไรที่ตัวเองสบายที่สุดมีพลังที่สุดนะครับอันนั้ไป อตอนนี้เนี่ยก็ปัญ า, าว่าเรื่อเวลาดีทาสซึ่มันไม่ออกอะทาไงนะถ้าดทาสซึ่ไม่ออกแปลว่ลวดิทาซ้าก็ไปทีหนึ่งมันจะลากออกเองให้ให้ใสน้ำเข้ไปซ้ำทีนึจะลากกัน อ, อกถ้าใสเข้าไปซ้ำแล้วมันก็ยังไม่ออกก็ไม่ต้องดิทาซ้าก็ไปอีกแล้วพอแแปล ว, ว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายร้อนมานกมันเก็บน้ำไม่ดับไฟ มันทำจะเก็บไว้ดับไฟนะเวลาถ่ายออกกข้างมันไม่ได้ท่ายออกเข้ากันกับกับที่ใส่เข้าไปนะมันบางทีมันดูดซึมเก็บาไว้ใช้ดับไฟนะครับมันจะไม่พอจไมปล่อยออกคือร่างกายมันจะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถ้ามันจะใช้ดับไฟมันก็เก็บไว้แค่นั้นนะครับถ้ามันยัไม่ใช้ดับไฟแล้วมันก็ระบายออกมาให้เราดูที่ความสบายให้เราดูที่ความสบายนะครับอันนี้สําคัญแต่ถ้ามันมีราะว่าร้อนเกินมากๆไปใช้สมมติไฟเย็นเกินมากๆก็ใช้เย็นเกินก็ใช้สมมติไฟที่ร้อนได้ต้องแต่ใครที่ร้องได้าใครเย็นเกิน ไปเ่อยนงนะ้นก็ก็ดูว่าเราร่างกายเย็ยนเกินรร้อนเกินหรือใช้อะไรแล้วรู้สึกสบายทมีคนมีาว่าร้อนเกินใช้สมุนไพรเยเ็นเรเย็ยนเป็นหลักไปก่อนนะครับแแล้วถ้ามันเย็ยนเกินแล้วเราต้งใช้สมุนไพรเร่ร้อนก็นะเราดูเอาเว่าเรา ก, กับอะไรหรือดูง่ายว่าเรา อะไรสบายหรือเราดีท็อกซ์อะไรแลาต้องสุขสบายตัว น, นี้เป็นเรืัญนะครับแล้วหลายคนจะมีคำถามว่าเอ๊ะเราดีท็อกซ์ talk, ถึงลาไส้จะบางไหมลาไส้จะบางไหมความจริงดีท็อกซ์ D จะช่วยให้ลาไส้แข็งแรงนะครับการไม่ดีท็อกซ์นั่นแหละลาไส้ยิ่งจะถูกคู้ช่วยนะจะรากที่มันแข็งนะมันโคู้เดี๋ยวเราลไส้จะบานเจ็บมากกว่าแต่การดีท็อกซ์ถึงใส่น้ำเข้าไปทําให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับระบายได้ง่ายขึ้นจะเซฟลาไส้นะครับลำไส้ไม่บางหรอกครับถ้าลาไส้บานไปเรื่อย ดีทอกนี่นะคุณอาบน้ำทุกวันป่านนี้มันบาลไปแล้วนะใช่ไหมอาแล้วขดัดจันหางใช่ไหมตัวไม่บาลแนะนะ่เดิมก็บาไนไปบ่อเสุมันไม่บานหรอกนะมันมีอะไระช่วยให้ให้ระบายได้ดีขึ้นนะครับหรือบางคนบอกว่ามันสกรปรกก็ว่ากันนะบางคนมันบอกว่าสกเขาบอกว่าสกรปรกนะนี่หมอกาปันจบันบางคนเหมือนกันนะแล้วสกรปรกก็ป่านใเข้าไปอ่ะเดี๋ยวติดเชื้อเากันความจริงนะครับอะที่อยู่ในลำไส้ของคุนะ้นสกรปรกมากกว่าน้ำที่ใสเข้าไปอีก เชื้ออนะไรบ้างเราไปรู้นะน้ำที่เราใส่เข้าไปสะอาดกว่าจะตาเพราะงั้นมันช่วยให้ลดความสดชื่มันไม่ติดเชื้อหรอกมันลดความสดชื่นคนไข่าบางคนนะหมอนักผ่าตัดที่เราให้เป็นแผลตัวระดับสี่เลยนะเป็นเป็นฮิมโอรอยนะเป็ น, ป น, ปนอะไรที่ทะลววานแผลเบิร์นแผลเลือกระดับ4ี่เลยลุงแดงที่สุดหมอนักผ่าตัดนะผมผ่าดิองเนี่ย สองสามวันนะแล้วปรับสมตุลอย่างนี้แล้วคนไข้หายปวดดีขึ้นสุดท้ายคนไข้แพ้ดีหมดเลยแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะไม่ได้เคผ่านเลยแต่แพ้ได้กันแต่ไม่ยังแพ้หายได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตัวหรอกกัรรักษาแพ้แนะนใส่อะไรถงดีนะครับวิธีการแบบเนี้ยไม่ต้องตัวเรื่องของใส่บางไป่ต้องตัวเรื่องการปิดเชื้อเพราะว่ามันสะอาดนะเราทำสะอาดประสมคนอย่างนี้พอแล้วนะสะอาดใช้ได้ไม่ได้โอเคนะครจะถามอะไร มีผลข้างเคียงใเงี้ยที่ว่าทำให้ระบบารสอบายนิ่ปกติเอ๋อมีผลข้าเคียที่ทาให้ระบบไอบายนิ่ปกติกไม่นะที่เขาถามทำไมเขาบว่าดีท็อกแล้วมันจะท้องผูกหรือเปล่าทําไม่ดทองแล้ว จะอรอที่เขาอย่างเดียวว่าไม่ทำปฏิยาที่จะถาพนั่นแหละจะถ่ายเองไม่เป็นนั่นแหละเจะถ่ายเองไม่เป็นหรือเปล่านะอ๋อจริงๆแล้วคนที่ทำดีท้องคือจะช่วยให้ลไส้แข็งแรงนะจะทำให้ถ่ายได้ดีเพราะที่พนบอกว่าการดีท้องช่วยให้ลำไส้ทา ง, งานได้ดีขึ้นลำไส้จะทำงานได้ดีข้นเท่าที่ผม้อกเพื่อช่วยให้ลำไส้ทางานได้ดีขึ้นนะไม่ไม่ได้ช่วยว่าพออยู่ที่ท้องเสร็จลาไส้เลยชื่อไม่ดีท้องเลยไปทำ ง, งานไม่ใช่แต่ในคนที่ท้องอู่แล้วแล้วยังไม่เหมาสมดุล น, น, นะ ถ้าเกคุณหยุดหยุดดิทอ็อมันก็ไม่ถ่ายก็คุณไม่ได้ทําให้ลําไส้แ ข, แข็งแรงการเลำไสยจะถ่ายหรือไม่ถ่ายด้วความสมดุลของลําไส้ด้วยตัวอย่างถ้าร่างกายมีพิษมากๆร้อนมากๆเลยนะครับความร้อนจะเผาจะเผาน้ําให้แห้งมันจะเผาลาไส้ให้หมดแรงมันจะไม่ถ่ายนะอันนี้จะไม่ถ่ายเพราะงั้นถ้าเราถ้าเราดีทอ็อกเข้าไปเนี่ยมันจะถอนพิษออกแล้วลําไส้จะอิ่มบ้างก็จะถ่ายดีขึ้นถ้าเราต้องการจะถ่าย ต้องัดสมุนไพรหั่นด้วยยายืนด้วยยาเก้เม็ดนะครับเขารับส้แข็งแรงจะทายเองได้อันนี้ช่วยให้ลาไส้แข็งแรงไม่ไม่ช่วยให้ต้องปลูกหรอกนะครับเรื อ, องมีทอสนะครับเพราะเหตุนี้ต้องพอ น, นี้าหลายคนจะได้ทํนางีบางคนจะได้ไปช่วยในครัวบางคนจะไปทดลองมีทอสน ะ, สอะนตอนีอะไรต่าก็จะได้ยื่นกายกันไก็เลยต้งพูดเริ่อมีทออนเช้านี้ด้วยเ้าใคำอะไรไหมเรื่องมีทอส์นะอ๋อเออีมีทอหลายคนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ธรรมชาตินะเพราะจร่มีทอสไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่ธรรมชาติแป้งฟันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วแป้ันทําไมมันสกปรกไงก็แป้งฟันช่วยมันสะอาดหน่อยอาบน้ำคุณว่าเป็นธรรมชาติเหรอมันอาบน้ําก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติต้ไม่อาบน้ําใช่ไหมแล้วอาบน้าทําไมก็มันสกปรกง่ายก็ช่วยมันหน่อยอ่ะก็ช่วยร่างกายเขาหน่อยนะแล้วดีท็อกเป็นธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วดิท็อกทำไมมันสกปรกง่ายช่วยเขาหน่อย ปูมเมหธรรมชาติหรือเปล่าไม่ใช่ธรรมชาติหรอกธรรมชาติต้องหมันเกิดเองแล้วปูกทาไมก็มันเนกิดน้อยช่วยเขาน่อยปูช่วยเานอยไม่ใช่เนี้ยลำไส้คนเหมือนกันนะครับสมัยก่อ น, นไม่ต้องมีทองมากหรอกพิษมันไม่เยอะยุคนี้แต่พิษเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่ก็ดีทอช่วยเ่าหน่อย นะมีคนที่จะไม่ดีท้องอยู่กรณีเดียวคือดีท้องใช้อะไรแล้วก็ไม่สบายใช่อะไรก็เท่าออกันใช่อะไรก็เท่าออกันใช่อะไรก็เท่าออกันใช่อะไรก็ออกกกเทา่ากันกับไม่ดีท้องอย่างนั้นคุณไม่ต้องดีท้องหรอกถ้าคุณทาดีท้องแล้วมันสบายเท่ากันกับไม่ดีท้องแต่คุณไม่ต้องทำหรอกแต่ถ้าใครทาดีท้องแล้วรู้สึกสบายขึ้นนะก่อนเก่าวคุณคทุกคนจะทําเพราะมันตรงหลักของพระเจ้าเป็นเพื่อทําความสบายแก่ตนเองจะทําให้คุณแข็งแรงอายุยืน แล้วการมีทอสก็เหมือนอาบน้ำมาแหละพูดก็พูดจะน้ำเหมือนอาบน้ําคนเราไม่ได้อาบน้ําเป็นไงจะรู้สึกไงไมัเดิเน น, นานเนาะถ้ามันไม่โลง่งไม่สบายเดินน่ะเพราะว่าอะไรครับพิษกอนมันระบายออกที่ผิวหนังไม่ได้เพราะว่ามันมีรูขุมขนไม่เปิดบ้างมีที่ใครมีเหงือมีใครไปปิดไว้นะครับพัระบายออกมาได้มันก็แย่นะที่ทอสก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเราได้อาบน้ำสมมติเราได้อาบน้ำมันก็สดชื่นสบายเพราะพี่ิ้อมรับใบของได้สิ่งส่วประกอบของได้ถ้าถ้าเรามีท่อเนี่ยนะครับสิ่งส่วประกอบมันออกไปพอมันออกไปปุ๊บแล้วก็ผนังรับไส้ของเราสามารถระบายความร้อน สามารถระบายสารที่เป็นพิษได้ง่ายนะครับพอความร้อนระบายออได้ง่ายข้างในความร้อนก็ไม่เผาทำลายข้างในนะครับก็ทาให้เรารู้สึกเบาสบายได้ดีขึ้นนะต้านการคืืได้เลยนะอันนี้ก็เราเรื่องท้อสุขเปนฟังเอาละครับเรามาฟังทุกคนนะคิดว่าน่าจะได้น จ, จะได้พักหรือว่าทํภารกิจอะไรกันต่างๆจะรบพาล้องแค่เพื่อแจ้งหรือหรือหอหนาบะ่ะหรือใครจะแจก ใช้หร we ือถ้าสายมันดำๆนะถ้าสายมันดำๆนี่เราก็เอาเอาลวดนะเรามัดมัดผ้าสายข้ามหนึ่งมัดผ้าสายข้ามหนึงแล้วก็เอาจุ่มน้ำเอาไปจุ่มน้ำาไปจุ่มน้ำมันก็ลากลวดผ่านไปอ่ะล้าผ่านไปจะสะอาดนะครับอันนี้ล้างได้ครับสามารถล้างได้ก็ใช้กันมันพังกันแหละพังเท่าไหร่ก็เลยใช้พอเราใช้เสร็จแล้วก็ล้างไว้ล้างแล้าเป่าแหละล้างไว้แล้วก็แขวนไว้ แ่กแค่นั้นแหละนะเน่ผมก็ใช้นานนะ้าเดินหกเดือนบปีปีใช้ปวดเดียวนั่นแหละจะกอบมันพันมาเท่าไหร่ก็เลิกเอาละเดี๋ยวถ้าใมีอะไรถามค่อยถามหลังใหม่กันเลยกันนะหรือว่าถามตอนทักไปกันเลยกันเพราะว่าเวลาลุ่มเลยมาพอปวดแล้วเดี๋ยวเจ้าโสภาจะได้แจ้งภารกิจของเราครับว่าภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรบ้างนะเพืีช่วยกันนะครับเอาละครับสหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสดีครับ